กันยายนพุทธศักราช2559เมื่อคืนฝนตกแรงนะักลูกลานแต่ไม่นานที่เขาว่าดีเพชรันจะเข้ามาช่วงแล้วเนี่ยฝนตกมากอยู่แต่ฝนมีแต่ลินพรำๆฝนไม่ลงเม็ดใหญ่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าฟ้าร้องฝนลงเม็ดฝนตกแรงเมื่อคืนนีแต่ไม่นาน ถ้าหากมันนานสักสองสามชั่วโมงน่คงจะได้น้ำมากอยู่เมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อวานวันที่สิบเจ็ดหลวงพ่อได้ไปวัดโพธิสมพรไปงานของพันตรีปัจจัยนารินรัก เ, เป็นโยมขององค์หลวงตาที่ได้ที่ได้ไดพี่นายกรรม นี่หลวงตาจุตินิรภานท่านมอบพิณกรรมให้โยมมีอยู่ห้าคนพระมีอยู่สี่องค์รวมแล้วเป็นเก้าศรัทธาญาติโยมไปแล้วไปแล้วหนึ่งคนหลักไปพระไปสองไปสู่ปณโลกหลวงพ่อก็เลยพูดเล็บเล่นเจ้นจริงๆให้เป็นแนวความคิดว่าใคร จะเป็นคิวต่อไปม <viewer> ันเป็นคิวจริงๆนะอใครจะเป็นคิวต่อไปยังเหลือพระอยู่สององค์ยังเหลือโยมอยู่สี่คนท่นแหละอันนี้ก็คือเมื่อวานก็ไปหลวงพ่อก็ขึ้นไปเป็นองค์แสดงธรรมปารบเรื่องงานปารบคน แต่หลวงพ่อก็ได้อ่านพินัยกรรมของหลวงตานะให้ท่านเสียงอ่านเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสิทธิอนุสิทธิ์ขององค์หลวงตาควรจะประกาศเกียรติคุณที่หลวงตาไว้เนื้อเชื่อใจมอบความไว้วางใจท่านจนเขียนเป็นพินัยกรรมให้โยมคนนี้หนะลวงพ่อก็ได้ได้อ่านให้อ่านให้ฟังได้ ถ้าไม่อ่านก็ไม่มีใครรู้นะควรจะโค้งสุดท้ายแล้วควรจะประอาดควรจ ะ, ะอ่านประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีกับวัดวาศาสนากับองค์หลวงตาไปที่ไหนๆเวลาหลวงตาไปเทศนาว่าการไปเรื่องทองคำแล้วก็โยมคนนี้ไปว่าไม่เคยคาดเลย ตาตามลงตาไปตลอดเป็นผู้ดูแลเรื่องจตุปัจจัยเรื่องคนมาบริจาคเท่าไหร่ท่านก็เป็นคนเก็บหอมเก็บให้องค์หลวงตาเป็นหูเป็นาตาให้องค์หลวงตาบัดนี้ถึงข่าวสุดท้ายของท่านอายุ80ปีพึ่งมรณะ เ, เมื่ อ, เ ม, อเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาแล้วก็เผาประชุมเพลิงวันที่17นะ เมื่อวานนี้จากนั้นหลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปการาบคารวะเจ้าคณะจังหวัดอุทธรของเราตก่อนท่านเป็นได้พระราศรีรังการแต่วันที่สิบสองสิงหาเป็นวันแม่ท่านก็เล้เลื่อนยศ เ, เป็นพระเทพมงคล น, นายกค่ะแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะได้เป็นขั้นเทพ ดันเจ้าคุณเราก็ไปกราบคารวะท่านได้ถามถ่ายเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะรู้ราจะทราบท่านก็ชี้แจงอะไรให้ฟังใช้อยู่กับท่านนานพอจงควรแล้วก็ออกมาเมื่อวานมาถึงวัดโอ้มืดค่านี่แหละภาระทุระสาธากิจของหลวงพ่อคณะทายาดโยมลูกลานแต่ไม่รู้จะได้ไปได้กี่น้ำเพราะ อายุสังขารขนาดนี้แล้วแต่ท่านเจ้าคุณเองท่านก็บอกว่าวันนี้ท่านจะเข้ า, เ, าเข้าอุมโมงเข้าอุมโมงเอ็กเซลเล่แล้ววันนี้อที่ไปถามท่านท่านกเา็เป็นรุ่นพี่ของหลวงพ่อเองสองสองหรืสามปีหรือไม่น่าจะเกินสี่ปีนะอท่านเจ้าคุนแหละอายุปูนนี้แล้วถ้าจะว่าไปแล้วท่าหาว่าเป็นน้ํำ มันมีตไหลไหลไหลเด่งไหลเด่งไหลไหลเร็ว อ, อ, อายุสามสิบห้าสี่สิบเนึ่ยคล้ายๆกับวัดคำตัวตรง อ, อแต่ตอนนี้พอสี่สิบกว่าขึ้นไปนะนะน้ําเริ่มไหลแล้วนะตอนนี้ไหลไหลเด่งลงไปถึงห้าสิบหกสิบปีเข้าไปแล้วนะ่ะไลหลแรงฮนะ อ, อ แต่ที่ยังไงก็ตามให้พวกเรารู้เอาไว้ว่าร่างกายสังขารนี่เราจะใช้ไปนานสักเท่าไหรออ่ที่บอกกล่าวนี่คือเพือ่อเพื่อบอกกล่าวไม่ให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปชีวิตของเรามันมีจุดจบออไม่ไ ม, ไมีไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ออแต่การธรรมาหาเลี้ยงชีพตําการธรรมาค้าขาย การแสวงหาทรัพย์เงินคาทรัพย์สมบัติอันนั้นเราไม่ว่ากันให้แสวงหาเต็มที่เพราะสมบัติมันมีอยู่ในโลกนี้แต่เราจะไปหาแต่ทรัพย์สมบัติอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองวางแผนอนาคตของตนเองอนาคตคือไงคือปะโลกภายภาคหน้าการแสวงหาทรัพย์เป็นการเพื่อเลี้ยงชีพในชาติปัจจุบัน แต่เราสสแสวงหามาันอย่างมาทำบุญในวันนี้นะอันนี้เป็นการเทเป็นการวางแนววางแถวทำบุญเพื่อสังสมเงินคำทรัพสมบัตเิเข้าสู่จิตใจเพื่อไปประโลกภายภาคหน้าถ้าพูดอย่างนี้เข้ามาเหมือนกับหลวงพ่อที่กำลังพูดเห็นแก่ตัวอยากจะให้รัตถายาติโยมมาทำบุญทำทานกับตนเอง แต่ตามไม่จริงพวกลู ก, กหลานคิดดูให้ดีก็แล้วกันชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่อายุ1112ปีเข้ามาฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อหวังเพื่ออะไรหลังหวังเพื่อหวังวางแผนไปประโลกภายภาคหน้าหลวงพ่อไม่ได้หวังอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันอะไรก็ได้อยู่ยังไงก็ได้อย่างชีวิตของพระ ชีวิตของนักพรตนักบวชมีพราไตรสามพื้นแล้วก็มีบริขานแปดแล้วก็ปัจจัยตามมีตามเกิดฉันมือเดียว อ, อยู่กุฏิหลังเดียวอยู่องค์เดียวชีวิตของพระ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพวกคณะสัตธายาจมทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างอย่างหลวงพ่อทำไม่ได้ เราก็เป็นคารวิญาติโยมทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ถึงยังไงมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะต้องแนะนำบอกกล่าวว่าลูกหลาเนเอย้ยหลวงพ่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาได้ศึกษามาถึงนั้นนะถึงแต่อายุน้อยอายุ 11-12 ปีถึงอายุ72ปีปีนี้แหละที่ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเกือบอเ0อกบปี อ่าห้กว่าปีเกือบหกปีรวมทั้งเป็นสมณีทั้งเป็นพระด้วยนี่แหละหลวงพ่อได้ศึกษามาตลอดหลวงพ่อเองก็มั่นใจและกับครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเองล้งปู่ล้งตาที่หลวงพ่อเข้ามาศึกษาท่านก็คงอยากจะมีความสุขเหมือนกับลูกหลานเหมือนกันนั่นแหละใครจะไม่รู้จักความสุกกินอาหารหลายมือ้อมีร้องรำทําเพลงสนุกสนาน หาเงินคําทรัพย์สมบัติมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาท่านก็คงอยากจะมีความสุขเหมือนกันแต่มองดูแล้วนะความสุขอย่างนั้นเป็นความสุขที่ท่านไม่ท้าบอลท่านก็เลยมองปลีกตัวออกมาเป็นนักพรตนักบวชอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้ไหมความสุขในเวียงหวังคือความสุขคืออย่างไรแต่ท่านมองดูแล้ว ความสุขในเวียงวังชายมีความสุขจริงแต่อนาคตปู่ย่าตายายตระกูลของท่านไปไหนหายไปไหนหมดผู้ที่มีอายุมากจนร่นลงมาร่นลงมาเกือบจะถึงท่านอยู่แล้วแล้วลท่านเหล่านั้นไปไหนท่านก็คงจะมองดูปัญหาความสุขไม่ได้ต้องแ ส, สวงหาทางต้องแ ส, สวงหาทาง ถ้าหาว่าอยู่อย่างนี้ต่อไปแก่เจ็บตายมรณะภัยต้องมาถึงเราแน่เราต้องควรจะหนีนี่นหะพระ อ, องค์จึงได้พิจารณาทีท่วนทุกอย่างแล้วนะขนาดพระพุทธเจ้าขนาดท่านปเป็นกษัตริย์ขนาดท่นนะานเสียสละออกจากเวียงวังถ้าว่าทุกวันนี้ถ้าหากคนที่ไม่มีความไม่มีอุดมการในจิตใจ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเขาเขาโอ้ เป็นประสาทหรือเปล่าคงจะว่าอย่างนั้นแหละนะแต่ที่นั่นอุรมการณ์ของท่านเหนือกว่าเหนือกว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดไม่ยอมขว่าเสียหน้าเสียตาได้หน้าได้ตาเสียหลาบเสียยศจะคนจะจิฉินดินทาอย่างไงไม่สนเพราะมีอุรมณการณ์ในจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงหนีออกจากเบียงวัง น, นแหละอันนี้คือบอรมครูของพวกเราเพราะฉะนั้น อย่างครูบาอาจารย์ของพวกเราอีกก็เหมือนกันตั้งแต่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์จนมาถึงหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกัน เ, เพราะว่าการมี เ, เงินคําทรัพย์สมบัติสั่งภายนอกก็ดี อ, อแต่อย่าลืมตัว อ, อ, อย่าพร้อมกันก็ให้ประกอบคุณงามความดีไปด้วยเนะนี่ยนะมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกอย่างนี้นะทีนี้ ออพอมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกลูกหลานการส ะ, สะแสวงหาทรัพย์ก็ดีแต่อย่าลืมตัวจนเกินไปเนอะออควรจะวางแผนอนาคตของตนเองต่อไปในภายภาคหน้าอนาคตของเราเพบหน้าชาติหน้ามีนะไม่ใช่ว่ามีแต่ชาติเดียวเพรพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกเอาไว้จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านเข้าไปอยู่ป่ารงพงไพ่อยู่ถ้ำ อยู่ในที่โลกชัดอยู่ในปา่าดงพงไพ่ทั้งหลายท่านไปภาวนาของท่านจนถึงตลอดหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อกับภาวนาของหลวงพ่อเหมือนกันในเมื่อเราภาวนาทําจิตใจให้สงบตามแนวแถวของพุทธะที่ท่านได้ค้นคว้าศึกษาอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญอย่าไปคาดคะเนอย่าไปประมาณการอาอย่าไปเดาฮะ วิธีการที่จะอยากจะรู้นะให้นั่งภาวนาเนอะ like ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไม่ใช่ผู้ประมาณการไม่ใช่ผู้เรียนรู้แล้วก็จะรู้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วิวชาเรียนรู้เรียนรู้นะ่ะคือปริยัติเมื่อเรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติแล้วก็ผลแห่งการปฏิบัตินั่นแหละจึงจะรู้จริงฮออันนี้ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจะรู้เลยไม่ใช่นะหลักนี่นะหลักวิชาการนี้ แต่วิชาการอื่นพอรู้แล้วก็รู้แล้วก็ปฏิบัติก็ได้เงินอันนี้ก็เหมือนกันเรียนประยัดแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัติท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองนี้ก็เหมือนกันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อบอกกล่าวนี่ก็นี่นะวิธีอยากพิสูจน์อยากจะรู้ก็ให้นั่งภาวนาตามแนวแถวของพท ธ, ธะจากนั้นจิตใจเข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นละ่ะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจตัวไหนไปเกิด อ, อมันไม่ศนะูนย์นะท่านนี่ร่างกายศนะูนย์แน่แอยา่างเมื่อวานไปเผากันแล้วศูนย์ละ่ะแต่นามธรรมคือจิตใจนั่นแหะตัวผู้รู้ๆอยู่นั่นแนหะจะออกจากร่างเมื่อออกจากร่างนั้นแหะบุญกุศลนะจะเป็นเพื่อนสอง เ, ออเป็นเพื่อนพานําดวงวิญญาณนะั้ไปสู่ปราโลกภายภาคหน้าท่าท่าว่าใคร ทำสิ่งที่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีกรรมตัวไม่ดีนะ่จะเข้ามาสนองเข้ามาเป็นเพื่อนสองของดวงวิญญาณ น, นั้นถาว่าพวกเราทํากรรมดี ส, งสังสมบุญกุศลปุญกุศลทั้งหลายจะเป็นเพื่อนสองพาจิตใจดวงนั้นละ่ะไปสู่ความสุขความเจริญต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานทุกคน อย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีเอาคุณงามความดีบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเอาเถอะเมื่อเร า, เาพิสูจน์ยังไม่ได้พวกเราควรจะเชื่ อ, อบุคคลที่ควรเชื่อศรัทธาคํานีนะ้เราเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา หลวงปู่ต่างๆอย่างเชื่ออย่างหลวงพ่อพูดถึงจะพิสูจน์ยังไม่ได้ก็เชื่อหลวงพ่อไว้ก่อนแต่อีกสักวันหนึ่งเราจะพิสูจน์ด้วยตนเองเราก็พยายามพิสูจน์ด้วยตนเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในเมื่อพิสูจน์แล้วเนี่ยเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของพวกเราเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณาจารย์ญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาท สังสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญกุญธอดมีจริงนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงพอกรรำคือการกระทําในหลักของพุทธศาสนาเน้นเรื่องกรรมคือการกระทําทําดีแล้วต้องได้ดีทําชั่วแล้วต้องชั่วนะผมขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะ สรุปแล้วคือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทการเาแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจก็จําเป็นเนี่ยแต่บางคนก็บอกว่าการทําบุญเหมือนกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์โน้มน้าวมาหาตนเองไม่ใช่ตัวของท่านเองเนีพวกเรามาทําได้ไม่ทําอย่างอย่างหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่อย่างนี้อยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็ดีบวชกันด้วยกันทุกคนเอาใครจะมาเลี้ยงเอาเทวดาจะมาเลี้ยง ให้บวชกันแล้วกันนะ่ะก็ทดลองดู อ, อไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะแต่ขนาดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ อ, อยังไม่ได้คิดมากไม่ได้ทําไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนหลวงพ่ออยู่อย่างนี้นออก็ไม่เห็นมีอะไรศรัทธา ญ, ญาติโยมคนนั้นมาถคนนี้มาคนคนนั้นเอาเอ า, เอาของอาหาร อ, อจตุ ป, ปัจจัยมาถวายแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้คิดถึงจะได้มาขนาดไหนก็เถอะนะ ถึงจะเป็นวัดศาลาใหญ่อย่างนี้ก็เถอะแต่ในใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อคิดในใจวนะ่าหลวงพ่ออินเอ้ยถึงจะมีมากขนาดไหนก็เถอะกระดูกหลวงพ่ออินก็ยังเอาเออกไปด้วยไม่ได้อีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งฮะหลวงพ่อคิดในใจอย่างนั้นนะลูกหลานนะผลถึงจะมีอะไรมามากกว่าเถอะกระดูกตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้จะไปะสาอะไรเรื่องสาลงศาลาสถาญาตโยมลูกศิษย์ลูกห า, อาของภายนอกนะ พึงถึงคราวนั้นไปตามลําพังดีกับชั่วอย่างที่ว่าบุญกับบาปท่านั้นเป็นเครื่องออพานําไปสู่ปราโลกภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นให้ทำแต่กรรมดีคิดคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละดีนั่นแหละจะพาไปสู่ความสุขถ้าจิตใจของเราหมดหสุดดุดพ้นจากอาสะวะกิเลสเป็นพระหรหันต์นั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดนะลูกหลานนะตามแนวแถวของพุทธะนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนระสนิจนะ